ช่วงวันสงท้ายปีเก่านะตอนรับปีใหม่เราก็ได้พักอยู่ที่พักสงคูครอโกรนะมู่บานนะเราก็ได้เดินทางออกมาเราก็คงได้เห็นภาพหรือว่าได้รู้สึกนะถึงความความความน่ารักนะความ ใส่ซื่อนะน้ำใจนะแล้วก็มิตรภาพดีๆเนาะทั้นะทงจากพระอาจารย์แล้วก็ทั้งจากชาวบ้านนะผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเด็กเล็กแดงนะที่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นนะตอนจากลาก็เป็นภาพที่บางคนอาจจะรู้สึกอะไรหรือรู้สึกซึ้งใจเนาะ มันก็เป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจริงนะในใจนะแต่การเดินทางนะมันก็เหมือนเราก็ต้องผัดอะไรนะในในหลายส่วนทั้งความผูกพันทั้งความสุขทั้งความทุกข์นะความพอใจความไม่พอใจความซึ้งใจนะนะมันก็เป็นการเรียกว่าตัดหรือว่าเรียกว่าห่างออกมานะจาก จับความรู้สึกเช้นนั้นมันรู้สึกจริงนั่นแหละแต่บางทีเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะวางมันเพราะว่าในชีวิตจริงที่เราต้องเจอเราก็ต้องพบกับสิ่งที่เป็นที่รักที่พอใจพบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจพบแล้วเราก็ภาคจากกันไป ทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะคนที่เราเจอคนนี้เป็นคนที่เรารู้สึกถูกใจนะรู้สึกผูกพันคนนีนะ้รู้สึกไม่ถูกใจรู้สึกไม่สุขเชตานะเราก็เจอกันนะจะวันหนึ่งก็ดีจะเดือนหนึ่งก็ดีจะปีหนึ่งก็ดีหรือนานกว่า น, นั้นก็ดีนะ แต่สุดท้ายสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของของตนเนาะก็มีทางไปในแต่ละคนนะเนะี่ยเราก็ดูดูความรู้สึกในใจที่มันมีความอะไราอาบรหรือมีความรู้สึกว่านะ่ผูกพันนะไอ้พวกนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องเหนียวนะเครื่องเหนียวจิตใจเราให้ ให้วนเวียนอยู่ในโลกนี้เหมือนกันนะนะแม้บางทีมันเป็นความปรารถนาที่ดีงามนะเช่นเราอยากจะสมเคะห์นสสัตว์โลกอยากจะสมเคาะห์ญาติพี่น้องนะอยากจะสมเคราะห์คนที่เรารักนะมันก็เป็นเครื่องเหนี่ยวให้เรารู้สึกนะคล้ายๆเนินช้าเหมือนกันนะนะเนินช้า แต่จิตแบบนั้นมันก็เป็นจิตที่ที่มีเมตตาเนาะจิตที่มีกรุณาซึ่งมันก็เป็นจิตที่ดีนะเป็นจิตแบบโพธิสัตว์เป็นจิ ต, บบ ต, จตที่นี่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างโพธิสัตว์บางพระองค์เนี่ท่านทั้งจิตปริฐานเลยนะว่าถ้าถ้ายังช่วยสัตว์ประสาททั้งหลายเนาะให้พ้นจาก จากนรกจากทุกขตินะยังไม่หมดจากโลกนี้นะท่านจะยังไม่ตัดสู้ท่านจะยังไม่ไปนิพพานนะท่านตั้งจิตปัทนาจะช่วยสรราสัตว์ทั้งหลายให้ให้ข้ามฝั่งไปก่อนท่านจะเป็นคนที่ไปเป็นคนสุดท้ายบางบางพระองค์ท่านท่านตั้งจิตแบบนี้เลย หรือบางพระองค์นะอย่างเป็นเรียกว่าเป็นธรรมาทิฐานเนอะอย่างเจ้าแม่ก้อนอิมบางทีเรามองว่ามีปรางแบบพันมือนะหรือว่าพันตาเนะเพราะที่จริงท่านปรารถนาว่าถ้าได้ยินได้เห็นคนที่มีความทุกข์สรรษษัตว์สัตที่มีความทุกข์เมื่อใดท่านจะรีบเข้าไปช่วยเหลือนะ ในทุกคนทุกแห่งอันนี้ท่านก็เป็นการตั้งจิตปารถนาตรงนั้นแต่คติแบบโพธิสัตว์ก็คือพยายามช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ไปก่อ น, นตัวเองก็อาจจะขอไปเป็นคนสุดท้ายหรือตัวเองอาจจะต้องการบำเพ็ญบรารมีเพื่อที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ยังไม่ขอไปนิพพานไม่ขอไป คนเดียวนะอันนั้นก็เป็นความปรารถนาที่แต่ละแต่ละท่านก็อาจจะปรารถนาที่แตกต่างกันเนาะแต่ถ้าเรามองในแง่ว่าถ้าเร า, เาไม่ไม่ได้ปรารถนาเช่นนั้นนะเรารู้สึกว่ามันเป็นภาระที่หนักภาระที่ยาวนานจะทําได้จริงหรือไม่ จะทำได้ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เราปรารถนาที่จะพาตัวเองออกจากความทุกขนะ์น่ะพ้นจากวัฏสงสารนะ่ะหรือถ้าเกื้อกูลก็เกื้อกูลตามเท่าที่สามารถเกื้อกูลได้ไม่ได้คนไขวนะ่ะดิ้นรนมากเกินไปอยู่เนะี้ยก็บางทีสภาวะอารมณ์หรือผู้คนที่เราเจอนะเราก็ลองเรียนรู้นะ ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในใจนะในเส้นทางที่เราผ่านในผู้คนที่เราพบเจอในอารมณ์ที่เกิดความรู้สึกนะเราก็พยายามฝึกนะให้เห็นมันแล้วก็ที่จริงการเห็นมันก็ทำให้เราเราไม่ลงไปยึดมันนะแต่ถ้าเราถ้าเราไม่เห็นเราไม่ทันเนี่ยเราจะลงไปยึดไม่ว่าจะเป็นความรัก ความชอบความไม่ถูกความไม่ชอบนะความโกรธก็ดีถ้าเราไม่เห็นเราจะดลงเข้าไปยึดมันนะกลายเป็นตัวเป็นตนนะก็กลายเป็นเราก็กลายเป็นเกิดในพบพบน้อยนะ่ะพบของความนะ่ะพบของความรักพบของความชังนะ่ะพบของความโกรธนะ่ะ นี่คือพบน้อยที่บางทีเราเราเผลอรสร้างขึ้นมาในใจนะกลายเป็นตัวเป็นตนขึ้นมายิ่งถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นนะมันก็ยิ่งนะมันก็ยิ่งอยู่นานนะหรือว่ายิ่งเกิดขึ้นบ่อยนะแต่ถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าไอ้พบน้อยมันเกิดขึ้นของมันเองนะเพราะว่ามันมีอาจจะมีสัญญาเก่า นะมีเวทนาเกิดขึ้นนะมีสังขารปรุงแต่งนะมีวิญญาณที่กระทบนะทําให้เกิดความรู้สึกนึกคิดเช่นนั้นนะหรือว่ามันกระทบในใจเองก็เกิดบุงแต่งขึ้นมาเรียกว่านะขันทั้งห้าเนาะมันทํางานร่วมกันนะมันก็เลยเกิดนะเกิดอารมณ์ขึ้นมานะภายในใจ หือบางทีก็แสดงออกทางกายด้วยเนะนี่ยมาเพราะเราเพราะธรรมดาของของมนุษย์เราก็มันมีขันห้าเนาะขันห้าก็ย่อมปรุงแต่งเป็นเป็นธรรมดานะแต่ถ้าปรุงถ้าปรุงแต่งแบบพระอริยะนะท่านปรุงแต่งแต่ท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่ว่าจะในขณะที่ตื่นหรือขณะที่หลับนะ มันก็ต้องปรุงแต่งไปตามตามสภาวะของขันนะเป็นธรรมดานะแต่ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นนะหรือว่าการตัดนะตัดความอะไรเอาบรลความรักความชังเนะี่ยมันตัดได้ของมันเองนะแต่ถ้าเป็นปู้โดยชนเนาะปู้โดยชนคือผู้ที่แลงจ่างๆคือผู้ที่หนาเนะี่ย หนาจากอะไรหนาจากการหมักมมทับถมของกิเลสนะหนาจากการยึดนยึดถือนะยึดเหนี่ยวนะติดแน่นเนาะหนาในตรงนั้นนะแต่ถ้าเราพยายามฝึกหัดตนนะนะให้เขาถึงความเป็นอริยชนเนี่ยเราก็ต้องฝึกระลฝึกวางอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจนี่แหละ คอยรู้ทันนะแล้วก็คอยละมันไปนะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่ฝึกให้มีสติคอยรู้ทันนะเนะี่ยเราก็เดินทางมาเราก็จะได้เห็นนอกจากเห็นสถานที่เห็นผู้คนนะเราก็จะได้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะเส้นทางที่เราเดินก็เหมือนกันนะบางช่วงก็ดีนะบางช่วงก็ลุยหน่อยนะอย่างเช่นเมื่อวานใช่ไห บกป่าฝ่าดงหลงทางนะขึ้นเขาอนะก็เจอทางบ้างลุยทางบ้างนะหลงป่าต้อนรับปีใหม่ก็ก็เป็นปรสชาติอีกแบบหนึง่งนะนะี่บางคนอาจจะเกิดความรู้สึกกลัวนะหรือบางคนก็รู้สึกสนุกสนานรู้สึกเ อ, อรู้สึกชอบใจเนะมันก็เกิดความรู้สึกที่ อยู่ในสถานการณ์เดียวกันนะแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกแตกต่างกันอันนี้คือที่จริงเหมือนวิญญาณเนาะวิญญาณการรับรู้คล้ายกันนะแต่เวทนาปุงแต่งแตกต่างกันนะเนื่องจากสัญญาเก่าๆนะมันไม่เหมือนกันนะบางคนกลัวความสูงบางคนเฉยๆกับความสูงนะ บางคนมีภาพเนี่ยเกี่ยวกับความสูงก็อาจจะปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์เกิดความกลัวนะบางคนเห็นความสูงเป็นไม่ได้ไม่ได้กล่วเฉยๆแล้วมันนะก็ไม่ได้ปรุงแต่งเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาในใจนะอันนี้ก็เป็นเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องัอ้นน ง, งแต่ละท่านที่ที่ประสบพบเจอแตกต่างกันนะพวกเราเดินทางด้วยกันนะแต่ถ้าจะให้เขียนเรื่องราว ที่พบเจอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคนละเวอร์ชันเลยนะใช่ไหมถ้าเป็นหนังสือเนเช่นเราสมรเราเขียนบันทึกการเดินทางทุ ด, ดงเนี่ยแต่ละคนเนี่ยแม้เราจะเดินผ่านเส้นทางเดียวกันนะเจอภาพส่วนใหญ่ ค, คล้ายกั น, นแต่ถ้าเราจะบันทึกออกมาเป็นรูปหนังสือถือถ้าเราพูดเนี่ยมันก็พูดตาม ความรู้สึกนึกคิดประสบการณ์ที่เราที่เราจำได้ไหมรู้นะที่เราจดจำมันก็จะแตกต่างกันไปซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องเรื่องธรรมดานะเรื่องธรรมดาเหมือนประวัติศาสตร์ที่เราอ่านเนี่ยก็มีหลายเวอร์ชันนะแล้วแต่ว่าจะบันทึกจากมุมมองของใครฝนะรั่งมาเมืองไทยเขาก็บันทึกประวัติศาสตร์แบบแบบมุมมองของฝรั่งนะ ชื่อบ้านชื่อเมืองก็ตามตามหูที่เขาได้ยินนะสะกดออกมานะตามที่เขาจำได้เหมือนพวกเราไปเดินทางเนาะฟังภาษากะเรียงไม่เข้าใจบางทีก็ฟังชื่อนะก็ออกเสียงไม่ค่อยเหมือนเขาเนะี่ยมันก็ธรรมดานะแต่ขณะที่เราเดินทางเนะี่ยเราก็จะได้เห็นอารมณ์นะความรู้สึกเกิดขึ้น แม้จะอยู่ในทางบ้างแม้จะออกนอกทางบ้างนะมันก็ทำให้เราได้มันเป็นรสชาติหนึ่งของของการเดินทางนะที่จริงชีวิตจริงของเราก็เหมือนกันนะนะบางครั้งเราก็เดินในทางที่ราบเรียบนะไม่ค่อยเจอปัญหาอุปสรรคแต่บางครั้งก็มีมรสุมชีวิตเกิดขึ้นนะกับชีวิตของเรานะไม่ว่าจะเป็นหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นการพัดพลาดนะจากของรักจากคนรักนะหรือประสบปัญหากับสุขภาพร่างกายของเราที่ไม่สบายนะมันก็อาจจะเป็นปัญหาถ้าเปรียบเทียบปัญหาเหมือนกับทางที่รกที่ชันนะมันก็เป็นเส้นทางที่เราต้องค่อยๆพยายามก้าวข้ามอนะย่างมีสติ นะแล้วก็อย่างอดอดทนนะนะอาศัยคันติความอดทนอดกลั้นนะค่อยๆเดินผ่านนะาน้ำเดินขึ้นเขาทีละก้าวนะแม้ขณะที่เดินนะอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักบ้างนะด้วยภาระปัญหาที่เจอนะแต่ก็ขอให้เรามั่นคนข้มแข็งนี้วว่าเราจะต้องก้าวผ่านให้มันได้นะ ค่อยๆก้าวค่อยๆผ่านไปนะชีวิตมันก็เป็นการเรียนรู้นะประสบการณ์ทั้เนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่ที่มอบบทเรียนให้กับเราเท่านั้นนะเมื่อใดที่เราก้าวข้ามมันไดนะ้ย้อนมองกลับไปในเส้นทางที่เราเดินย้อนกลับไปมองปัญหาที่เราเคยเจอเนะ่ะเราจะมองเห็นเออมันเมื่อมองกับเมือ่อเมื่อเราเดินถึงยอดเขานะเรามองไปถึง ปลายทางเออไม่ถึงตีนเขาหรือว่าลุ่มน้ำํำนะมันจะเห็นได้ว่ามันไกลๆมันเล็กนิดเดียวนะเหมือนเราปีนขึ้นเขาสูงนะเรามองขึ้นไปเขาลูกอื่นมันลุกได้ ก, กว่าเขาที่เราเรายืนอยู่หรือว่าเตี้ยกว่าเขาที่เรายืนอยู่นะนเราจะรู้สึกว่าเออเราก็ผ่านมนมาได้ไกลขึ้นนะ เพราะว่าความอดทนแล้วก็ความเพียรที่เราสร้างขึ้นเนี่แหละมันทําให้เราค่อยๆผ่านสภาวะอารมณ์เนี่ยต่างๆที่เจอก็เหมือนกันมันก็จะค่อยๆคลี่คลายของมันเองนะเนะี่ยเราก็จะได้ประสบการณ์ได้บทเรียนในการเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราเนาะเนะี่เพราะการเดินทางจริงๆนะมันเดินทางทางโลกเนี่ยนะ เราไม่จำเป็นต้องไปทั่วประเทศไทยต้องไปทั่วโลกนะบางคนก็มีมีความคิดนะนะที่จะเดินทางไปให้ได้เยอะๆไปเห็นที่ต่างๆนะไปรู้จักวัฒนธรรมผู้คนประเพณีที่แตกต่างกันไปเยอะๆนะแต่บางคนก็เป็นเพียงแค่การเปลี่ยนที่กินที่นอนที่เที่ยวนะที่ถ่ายรูปที่ชอปปิง้งนะ ได้บันทึกนะในไดอารี่ในพา ส, สปอร์ตว่าเคยไปที่นั่นที่นี่นะมีรูเก็บไวนะ้แต่ถ้าได้เพียงแค่เดินทางไกลได้เห็นสิ่งแปดกใหม่แต่ไม่ได้เป็นการขัดเกลาจิตใจของตัวเองจริงๆนะอันนั้นก็ยังเชื่อว่าไม่ใช่การเดินทางจริงๆนะแต่บางครั้งเราอาจจะไม่ได้เดินทางไกลไม่ได้ไปเห็น อะไรที่คนอื่นเขาเห็นแต่สิ่งสำคัญถ้าเราเห็นเห็นตัวเองเห็นเห็นอารมณ์เห็นความคิดเห็นสภาวะที่เกิดขึ้นในกายในใจเห็นเป็นเพียงแค่รูปเป็นเพียงแค่นามเป็นเพียงแค่อาการของรูปเป็นเพียงแค่อาการของนามเห็นแล้วถอน ความยึดมั่นถือมั่นนะการละการปรุงแต่งได้นะอันนั้นแหละมันมีค่ายิ่งกว่านะเห็นสิ่งภายนอกนะถ่ายรูปมาได้จับต้องไดนะ้แต่มันก็ไม่สามารถยึดถือได้จริงหรอกนะแต่ถ้าเราเห็นสภาวะอารมณ์เกิดดับภายในใจเห็นสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของทุกข์เป็นของไม่ใช่ตัวตนเนะี่ย เห็นแล้วแม้ยึดถือไม่ได้นะแต่มันเกิดการปลดเปื้องนะปลดวางภาระของหนักในใจเราได้นะถ้าเราเห็นสภาวะต่างๆมันจะรู้สึกว่าใจมันเบาขึ้นนะใจที่เคยหนักเพราะอะไรก็ไม่รู้นะเราไม่รู้นะแต่ก่อนไม่รู้ว่าหนักเพราะอะไรทําไมมันถึงทุกข์นะรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกไม่ปลอดโปร่งโลงใจนะแต่ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยเราได้เห็น อารมณ์เห็นอาการต่าง ๆ, ๆเห็นความคิดนะมันจะรู้สึกอืมใจมันเบาขึ้ น, นะใจมันโล่งขึ้นนะอมันรู้สึกว่าเออเราเดินทางมาถูกแลนะทางที่จะค่อยๆปลดเครื้องพาระนะการยึดถือของหนักนะของหนักมันพาพาไปนะที่จริงเราละเผลอแบกมันไปเองนะแตาจะดูเลยค่อยๆ อันนี้ไม่จําเป็นต้องแบกเลยแล้วก็ปวดมันไปปวดไปเรื่อยนะค่อยๆปวดภาระของหนักในขันในใจไปก่อนนะแต่รูปประคันก็ยังต้องต้องแบกบต้องถือมันเพื่อใช้ในการเดินทางอยู่นะต่อเมื่อชีวิตเราหาไม่เนาะแล้วกลลนะ็ละรูปนี้ไปนละรูปนี้ไปนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปนี้นะในนามนี้นะไม่ต้องเป็น มีเหตุกลับมาเกิดอีกมันก็จบเหตุที่กลับมาเกิดอีกนะอันนี้ก็คือการเดินทางนะที่ที่เราจะได้ประสบพบเจอนะให้เราพยายามหมั่นทําความเพียรนะความเพียรในการสร้างเหตุนะสร้างเหตุในความในการรู้สึกตัวนะในการมีสติสัมปชัญญะนะเกิดความรู้เนื้อรู้ตัวรู้ทันกายรู้ทันใจนะ รู้ทันอารมณ์รู้ทันความคิดนะเห็นจิตนะจนกรทั่งจิตมันนะต่แรกก็ต้องสร้างสตินะให้เกิดขึ้นแต่ต่อไปเมื่อสติมันเต็มรอบนะสติมันเป็นอัตโนมัตินะสติมันก็เห็นสภาวะต่างๆโดยที่ไม่ต้องจงใจไม่ต้องตั้งใจไม่ต้องเพ่งนะจิตมันก็เห็นจิตของมันเองนะ จิตเห็นอารมณ์มันก็วางอารมณ์ของมันเองนะไม่ไม่ใช่ทำเพื่อจะเป็นตัวเป็นตนของเราอะไรนะแต่มันเป็นธรรมเพื่อปลดเปื่องภาวะต่างๆนาตามเหตุตามปัจจัยที่มันมันเป็นของมันเองนะเรียกว่าจิตมันเป็นของมันเองนะไม่ใช่ทำให้เราเป็นนั่นเป็นนี่นะที่จริงเป็นก็โดยสมมตินะจะเป็นพระเป็นโยม เป็นพระอริยะขั้นไหนก็เป็นเพียงแค่ชื่อที่เรียกกันเฉยแต่จริงเราทำให้จิตมันได้เรียนรู้สภาวะมันค่อยๆปลดเปลื้องสภาวะไปของมันเองนี่แหละคือการภาวนาที่ที่สาคัญมากๆนะเนาะพราให้เราเอาเอาประสบการณ์ในการเดินทุดดงนะเอามาใช้ในการใช้ชีวิตของเราให้ได้นะหมือนจะค่อย ๆ, ๆเป็นการเดินทางภายในที่แท้จริงนะ ไม่ว่าบางท่านจะปรถนานะที่จะคนควายนะในการช่วยเหลือสรัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ก็ดีนะหรือช่วยเหลือคนที่เรารู้จักญาติพี่น้องพ้นจากทุกข์ก็ดีนะแต่ก็จะลืมปลดเปลื้องความทุกข์นะในใจของตัวเองไปด้วยนะหรือบางท่านคนควายปฎถนาที่จะพาตนให้พ้นจากทุกข์เป็นหลักก็ดีนะแต่ก็ อย่าลืมมีเมตตามีการดณนาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ที่เราได้เดินทางผ่านหรือที่เราได้ประสบพบเจอนะแต่ให้เป็นการช่วยเหลือแบบนะไม่ยึดติดนะพบเจอนะเมื่อพัดพลากก็จากได้นะนะให้รู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจนะว่ามันเป็นเพียงแค่ อาการหนึ่งที่เกิดขึ้นเฉยๆนะถ้าเรามีสติเราจะไม่ลงไปยึดมันนะอันนี้แหะคือคือการเดินทางที่แท้จริงเนาะนะนะก็ให้พวกเราทุกท่านเนาะได้ประสบเพราะเห็นสัจธรรมนะนะคือความจริงนะคือพระธรรมนะที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงกับชีวิตของเราได้เนาะในในปัจจุบันชาตินะี้นะด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเถิด